สำเร็จเป็นองค์อรหันต์สิ้นในวันนี้ดังนั้นจึงควรที่เราต ถ, ถาคตจากปโปรดดาบทเหล่านั้นในการละบัดนี้สมเด็จพระโนโมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระพุทธอาภคดังนี้แล้วก็ทรงซึ่งบาทและจีวรไม่ได้ตรัสแก่พระพิสุสงองค์ใดให้รู้สเสด็จบ่ายพระพักไปยังพนาสนโดยเอกจาริกเหาะไปทางอากาศหลุดพระยากรสอนสีหราชปราศจากสีหปริวาร ในการเมื่อดาบ ท, ที่เป็นศิษย์ไปเที่ยวแสวงหาบุญพลาหารอยู่แต่ท่านสรทดาบทอาจารย์ใหญ่ผู้เดียวครั้งถึงพนาสนแล้วจึงเสด็จลงจากอากาศสถิตยังพื้นปฐพีในที่เฉพาะหน้าแห่งสรทชดินดาบทเพื่อจะให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าฝ่ายสรทดาบทได้ทัศนาการพระศาสดาจารย์คราวนั้นก็สำคัญแจ้งในจิตว่าเป็นพระพิชิตมานโดยแท้ จึงกระทำปัจจุขมนาการถวายอภิวาท ด, ด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์และปูราดอาสนะถวายเป็นอันดีสมเด็จพระโนโทัาสีบรมครูสเสด็จสถิตเหลือปัญญตัตาอาจแล้วในขณะนั้นก็พอดีชดินดาบทบริวารทั้งหลายนำพลาผลต่างๆล้วนมีโอชารสประณิบบันจงเข้าไปสู่สำนักท่านสรัรทะดาบทอาจารย์ได้เห็นสมเด็จพระทศพลญานก็พากันกราบกานลงแทบพระยุคลบาททั้งสิ้น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 สมควรที่พวกเราจะาถวายทานตามมีตามได้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงช่วยกันจัดสรรพาผลไม้บรรดามีเลือกจัดเอาแต่ที่มีรสอันโอชาประณิตนํนำมาถวายพระสุคตเถิดอย่าชักช้าสาระดาบทประกาศแก่ศิษย์ปริวาณทั้งปวงดังนี้แล้วก็ล้างมือของตนให้หมดมนลถินเลือกคัดจัดสรรผ้รพรผาผลที่กรอบด้วยโอชารสทั้งสิ้นใส่ลงในบาตรสมเด็จพระนมทัสศสีตรีโลกขาะ ก็รับประเคนดาบดและเสวยพลาผลนั้นด้วยพระมหากรูณาครั้นเสร็จภัตกิจแล้วองค์พระประทีปแก้วจึงทรงจินตนาการอธิษฐานว่าขอพระอัครสาวกทั้งสองของเราสถาคตและพระอาหารหันต์ขีนาทวะส์สาวกทั้งปวงจงพากันมหาเราสถาคตในที่นี้จงพร้อมเพียงกันในการระบัดนี้เถิขดขณะนั้นพระอาหารหันตผู้เป็นอัครสาวกของพระองค์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 เราทั้งหลายจงพากันไปเก็บบุพพชาติอันประกอบด้วยวันนาสุขันธรสมาแต่เชิงวันพฤษให้มากสุดที่จะมากได้เพื่อที่จะกระทําเป็นบุพพาอาตถวายองค์พระโลกนาถกับพระอริยสงฆ์สาวกเป็นการกระทำสักการะบูชาตามภาษาแห่งชาวเราผู้เป็นดาบดอยู่ในป่าดังนี้ก็น่าจะเป็นการกุศลดีเลิศประเสริฐรักชดินดาบดผู้บริวารได้สาวนาการท่านอาจารย์สารถว่าดังนั้น ก็เห็นดีเห็นงามรีบพากันไปที่เชิงบรรพลดเลือกเก็บบุพชาติที่มีวันะสุขันรธรสมาเป็นอันมากแล้วกระทําเป็นบุพพาอาฏสําหรับสมเด็จพระบรมศราศสดาทรงสถิตนั้นสูงกว่าอาฏอื่นทั้งปวงบุพพาอาฏที่สูงลดหลั่นกันลงมาคืออาฏของพระอัครสาวกทั้งสองซ้ายขวาและอาศนะของพระสงฆ์ขีนาสวะเจ้าทั้งหลายโดยกระทําให้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นอัศจ ร, รในกรณีนี้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 เราจาเริญสมถะกรรมฐานชนานชาญฌานมาแล้วทั้งสิ้นเมื่อทวินหวังจะบำเพ็ญมหากุศลสุภวัตไปเลือกเก็บบุพชาติอันกอกด้วยวันนะสุขันธรสมาตกแต่งเป็นบุพภาอาจทั้งหลายเพื่อถวายพระอริยสงฆ์มากมายก็สามารถทำให้สำเร็จได้โดยมีชักช้าตกแต่งประดับประดาให้สวยงามได้อย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์ก็อันวิสัยแห่งบุคคลที่มีฤทธิ์ได้อภิญญาฌานสมาบัติในโลกนี้นั้น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 ก็ทรงเข้านิโรธทัสมาบัตอันเป็นภาสุขวิหารบรรดาพระอริยสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระธรรมเสนาบดีนิสพรเถระเป็นประธานทอดทัศนาการเห็นพระบรมครูทรงเข้าสู่นิโรธทัสมาบัตดังนั้นก็พลันต่างอาธิษฐานเข้าสู่นิโรธทัสมาบัติด้วยกันทั้งสิน้นสมเด็จพระชินทร์สีเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวกอรหรันต์พากันเข้านิโรธทัสมาบัติอยู่จนครบเจ็วันเป็นกำหนด ตลอดเวลาที่ล่วงไปนี้ท่านสระดาบดก็ไม่ได้เคลื่อนกายไปไหนคงยืนถือฉัดดอกไม้กลางกั้นเบื้องบนสมเด็จพระชินาสียับยั้งอยู่ด้วยปิติสุขท่วนทั้งสัตวานนั้นครั้นพระพุทธองค์ทรงออกจากนิโรธทศมาบัตจึงตรัสเรียกพระธรรมเสนาบดีนิสภะเทระซึ่งดำรงตำแหน่งพระอครสาวกฝ่ายทักษิณปรัชตรัสสั่งว่าดูก่อนนิสภะบัดนี้ เธอจงกระทำอนุโมทนาบุพพารถาอันดาบททั้งหลายถวายและกระทำสักการะบูชาเพื่อยังปรีดาปราโมทให้เกิดแก่เขาทั้งหลายต่อไปพระธรรมเสนาบดีแห่งองค์สมเด็จพระโณมทัตสีสัมพุทธบพิตรซึ่งมีนามว่าพระนิสสะพเถระอัครสาวกฝ่ายขวาเมื่อได้สาวนาการพระพุทธดํารับเช่นนั้นก็บังเกิดความปิติยินดีประหนึ่งเสนาบดีมหาโยธาผู้ได้รับพระราชทานโอกาส แต่สำนักสมเด็จพระบรมาจา ก, กรพัดราธิราชให้สำแดงฝีมืออันล้ำเลิศแห่งตนในถ้ำกลางหมู่พลนรณภูมิสนามชิงใจแล้วพระผู้เป็นเจ้าผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ในศาสนาแห่งสมเด็จพระโนโมทัศสีซึ่งตั้งอยู่ในสาวก บ, บ ร, รมียานก็เริ่มสำแดงพระสัทธรรมเทศนาอนุโมทนาบุพพอาสนท า, านโดยวิจิตพิสดารยิ่งนักหนาครันจบเทศนาแห่งพระอัครสาวกฝ่ายขวาแล้ว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 ก็โดยเหตุที่ชดินดาบทเหล่านั้นอบรมสั่งสมบารมีมาล้วนแต่เป็นพุทธเวนัยยะคือเป็นผู้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจักต้องโปรดเองด้วยการสิ้นทั้งนั้นด้วยเหตุนี้สมเด็จพระโนมทัศสีสามพุทธเจ้าจึงต้องทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาด้วยพระองค์เองครั้นพระสัทธรรมเทศนาอันพระองค์ทรงแสดงจบลงบรรดาชดินดาบทบริวารทั้งเจ็ดห่นสี่พันคนซึ่งเป็นพุทธเวนัยยะ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 เหมือนดังพระภิกษุธรรมเสนาบดีที่นั่งบนอาจเบื้องขวาแห่งองค์สมเด็จพระโนมทัศรีซึ่งงามสง่าและมีปัญญาแก่กล้านิ่หนอได้แต่เฝ้ารำพึงด้วยความประทับใจในพระนิสพะเถระอัครสาวกเบื้องขวาจึงไม่ได้ตั้งใจสับพระสัตวธรรมเทศนาด้วยดีเหตุนี้ท่านสรทดาบทคณาจารย์ใหญ่จึงไม่อาจได้บรรลุมรรคผล ร, รมวิเศษสิ่งใดเหมือนกับสิทธิ์ทั้งหลายแห่งตน เมื่อการบรรพชาอุปสมบทสิทธิ์ทั้งปวงของตนซึ่งเป็นพระอรหันต์ใหม่ผ่านพ้นไปแล้วจึงนมัส ก, การทูลถามองค์พระปฏีบแก้วโนมทัสสีสัมพุทธเจ้าขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระภิกษุองค์นี้ที่นั่งบนอาจเบื้องขวาซึ่งมีความงามสง่าทรงไว้ซึ่งปัญญานี้มีนามในพระพุทธศาสนาดังเรือสมเด็จพระโนมทัทสีจอมตรีโล ก, กนาถ จึงทรงชี้พระหัตไปยังพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วตรัสว่าดูก่อนสรระภิกษุรูปนี้เธอมีนามว่าพระนิสสะะถึงซึ่งที่สุดแห่งสาวกบรารมีญาณมีปัญญาแตกฉานในพระไตรปิฎกธรรมทั้งหลายดำรงฐานะในตำแหน่งที่อัครทักษิณสาวกเบื้องขวาในศาสนาแห่งเราตถาคตสาระดาบทจึงกล่าวเป็นวจีปณิธาน เบื้องพระพักพระโนมทัศสีรมมาสสดาจารย์ด้วยน้ำคำอันหนักแน่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเดชะผลบุญที่ข้าพระบาทได้ถวายบุพภาอานและได้กลางกั้นสมเด็จพระโล ก, กนาฏด้วยฉาดดอกไม้ท่วถึงเจ็ดวันนี้จะได้มีจิตปรารถนาเป็นเทวดาสวยทพยาสมบัติในสวรรค์เทวโลกหรือปรารถนาความเป็นอินพรหมและสมบัติอื่นใด น, นั้นก็หาไม่ได้เลยโดยที่แท้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 เสด็จมาอุบัติรตรัสในโลกพระทุติยาสาวกเบื้องซ้ายแห่งพระไตรโลกโคโดมบรมศาสดานั้นปรากฏนามว่าพระมหาโมคลานะเถระตัวท่านจะได้เป็นปฐมทักษิณอัครสาวกเบื้องขวาแห่งพระโคโดมบรมศาสดาพระองค์นั้นปรากฏนามว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นเที่ยงแท้ในการนั้นเมื่อสมเด็จพระพักควันอโนมาทศี ทรงมีพระพุทธดีกาพยากสรสัทดาบทชนนี้แล้วก็ทรงพาพระสงฆ์สาวกมหาขีนาศวะเจ้าทั้งปวงสเสด็จไปยังที่ประทับโดยนภากาศด้วยอริยริษท์ส่วนสัทดาบทผู้มีจิตปรารถนาเป็นพระอครสาวกเบื้องขวาก็เข้าฌานอภิญญาเหะามาจากป่าโดยบ่ายโชมหน้ามาสู่บ้านสิริวัฒเศษฐีซึ่งเป็นสหายคู่ใจแห่งตนอันอยู่ในเมืองแอบลงจากอากาศที่ชายป่า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 สิริวัตรเสษฐีสดับคำแนะนำอันพิเศษดังนั้นก็พลันบังเกิดความยินดีที่จะตั้งความปรารถนาตามถ้อยคำแห่งดาบุตรสหายรักนั้นทุกประการจึงสั่งข้าทาสบริวารให้เรียบเร่งปราบพื้นภูมิภาคภายนอกประตูบ้านให้ราบพรื่นเป็นอันดีแล้วให้เอาสายมาเกลี่ยเรียรายลงทั่วที่นั้นโปรยปลายด้วยกุศลเมชาทั้งหลายแล้วกระทามนดกหลังคามงด้วยดอกนิลบนุบล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 พาทะยานไหว้ฟ้าไปด้วยอํานาจอภิญญาลาภีเข้าไปทูลอาราธนาสมเด็จพระโนมทัศ ส, สีพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งปวงมาสู่มหามนตรณบ้านศิริวัฒเศษฐีผู้เป็นสหายพอถึงเวลานัดหมายเมื่อสมเด็จพระไตรโลกนาสเสด็จมาถึงจึงศิริวัฒเศตีผู้เป็นเจ้าภาคก็เข้าไปกราบถวายบังคมกระทําปัจจุคมนาการรับเอาบาศสมเด็จพระทศพลด้วยหัดแห่งตน แล้วทูลนิมนต์ให้เสด็จขึ้นสู่มหามนด์กงามวิจิตรเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วก็ถวายวัตถุทานอันมีค่ามากแด่สมเด็จพระพุทธองค์กับทั้งพระอริยสงฆ์ทั้งทั้งสิน้นแล้วทูลอาราธนาให้ทรงพาพระอริยสงฆ์ทั้งหมดมารับมหาทานของตนจนครบเจวันในวันสุดท้ายสิริวัฒเศรษฐีผู้มีศรัทธาใหญ่จึงกราบทูลกระทำปานิธานตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระสุคต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 ทรงอาวัชนาการพิจารณาด้วยพระอนาคตยานเห็นแจ้งว่าวาจีบณนิทานของเศรษฐีนั้นจักสำเร็จสมปรารถนาจึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสพยากรณ์ทำนายดุษนัยขนหลังแล้วก็ทรงพาพระอัครส า, าวกทั้งสองและพระมหาขีนาสวะสงบริวารเสด็จกลับไปยังที่ประทับเพื่อทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดเวนยัยสั์ทั้งหลายให้ได้ดื่มอมะตะธรรมตามพุทธวิสัยต่อไป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 ซึ่งอยู่ในบ้านโกลิตาคามใกล้กรุงราชครึกดุดกันด้วยตระกูลทั้งสองนั้นเป็นสัมพันธมิตรสืบเนื่องกันมาก่อนราวเท่าถึงเจ็ดชั่วคนแล้วครั้นถึงกำหนดท่วนทศมาศนางพรหมณีทั้งสองก็คลอดบุตรสุที่รักออกมาเป็นกุมารโสภาบริสุทธิ์สมใจจึงตั้งหญิงให้เป็นนางลมเลี้ยงดูกุมารทั้งสองนั้นถึงหสินางเท่าๆกันและเมื่อวันจะให้นามกุมารทั้งสองนั้น พระมนาจารย์ก็ตั้งนามให้ตามเหตุคือกุมารที่เป็นบุตรพราหม์ตระกูลใหญ่ในอุปติสาาักขังขนานนามให้ว่าอุปติสะกุมารแต่เพราะเหตุที่เป็นบุตรสุทธิรักแห่งนางสารีพระมลีดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึ่งมีความพอใจที่จะเรียกอุปติสักุมาร น, นั้นว่าสารีบุตรสำหรับกุมารที่เป็นบุตรพราหมณตระกูลใหญ่ในโกริตัคขังขนานนามให้ว่าโกริตะกุมาร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 มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลจึงเป็นการสมควรที่เราทั้งสองผู้ต้องการโมฆธรรมความหลุดพ้นจากดัานร่นท่องเที่ยวไปในคามนิคมจนบทราชธานีน้อยใหญ่ก็คงจะได้พบอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งอาจจะรู้และอาจจะชี้แจงแสดงซึ่งโมฆธรรมแก่เราได้เป็นแน่แท้ก็แลนในบรรดาเราผู้เป็นสหายรักกันทั้งสองนี้ผิว่าผู้ใดได้รู้โมฆธรรมก่อน ทรงบอกแก่ผู้หนึ่งให้ได้รู้ด้วยอย่าได้ลืมปติญญาข้อนี้เสียปรึกษาและให้ปติญญาแก่กันดังนี้แล้วมานบหนุ่มผู้มีวาสนาปัญญาไวทั้งสองก็ออกท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองน้อยใหญ่ได้สะดับข่าวว่าสมณะพระมนาจารย์ที่เป็นปราชถมีอยู่ที่ใดก็อุตสาดด้านด้นไปสู่ที่นั้นแล้วก็ถามซึ่งปัญหาเป็นธรรมษากัตฉาปรากฏว่า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 สมเด็จพระพุทธโคโดมป ร, รมมส า, าสดาของเราทั้งหลายได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศกสัมโพธิยานสเสด็จไปตรัสเทศนาพระธรรมจักรปรดประทานแก่พระปัญจวัคคีปราดเท่าจนมีพระอรหันต์สาวกปรากฏขึ้นในโลก60องค์แล้วสมเด็จพระสัพพันดูเจ้าจึงสเสด็จโปรดสัตว์โลกทั้งปวงถึงเมืองราชคลึกโดยลําดับทรงรับอาราธนาให้สเสด็จไปสถิตยอยู่ณพระเวลวันเพื่อบําเพ็ญพุทธกิจแสดงธรรม นำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารพร้อมกับพระอริยสงฆ์มหาขีนาสวัเจ้าซึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทั้งหลายอารุณสมัยวันหนึ่งท่านพระอัศจริมหาขีนาสวัเจ้าซึ่งนับเข้าในเหล่าพระปัญจวัคคีรูปสุดท้ายได้จาริกเข้าไปในเมืองราชครึ่เพื่อบินทบาทตามสำมะะวิสัยพอดีอุปสิสะมานพปัญญาไหวบริโภคอาหารเช้าแล้วเดินไปสู่ปริพาชกา ร, รามพบเห็นเข้า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 ได้โอกาสเมื่อใดจึงจักใส่ถามปัญหาแก่เธอเมื่อนั้นการที่จะไต่ถามอัดรมอันลึกซึ้งในที่กลางทางดังนี้ไม่เป็นการดีการชอบอะไรอุปติสมานบยับยั้งช่างใจทนนี้แล้วก็ค่อยเดินติดตามสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีบแก้วไปไม่ให้คลาดสายตาได้ฝ่ายพระอัศชิองค์อารหันใหม่ได้อาหารบินบาบจากชาวเมืองราชคฤืพอเป็นยาปนมัดแล้วก็เดินทางกลับมา โดยบ่ายโฉมหน้าไปยังพระเวรวันแต่ว่าขณะนั้นเป็นเวลาสายนักจึงคิดว่าจะนั่งพักและฉันพัฒหาหานัาภายใต้ร่มไม้ใหญ่อันมีอยู่ข้างมรคคาอุปติษมาโนบซึ่งติดตามมาอย่างกระชันทิตทราบโดยอาการว่าท่านมีความปรารถนาจะนั่งลงฉันพัฒตาหารจึงรีบเข้าไปเอาตัางรองนั่งสาหรับปริภาชกของตนถวายให้พระอศัศจรนั่งอย่างสบายแล้วรีบไปหาน้ำใช้น้าฉันมามอบให้ และปฏิบัติรับใช้อยู่ในขณะนั้นเป็นอันดีครั้นพระปัญจวัคคีรูปสุดท้ายฉันพัฒหารสำเร็จเรียบร้อยแล้วอุปติสะมานบผู้มีปรีชาชาญจึงกล่าวคำเป็นมัธุระปฏิสันฐานว่าดูก่อนอาวุโสท่านนี้มีวงพักอันผ่องใสทั้งวันณะของท่านเล่าก็ขาวบริสุทธิ์และดูน่าเลื่องใสท่านบนรรพชาเฉพาะสานักแห่งสมณพระมนาจารย์ใด ใครเป็นครูอาจารย์แห่งท่านและท่านได้เล่าเรียนปฏิบัติธรรมในสำนักของอาจารย์ใดพระอัศชิปัญจวัคคีรูปสุดท้ายจึงกล่าวตอบแก่มานบนั้นว่าดูก่อนอาวุโสพระมหาสมณะสักยบุตรซึ่งออกบวชจากสักยรา ช, ชตรกูลทรงพระนามว่าพระสมณะสักยมุนีทรงมีพระปัญญาญาณกว้างไกลได้ปรัสแก่พระปรมาพิเศษสัมโพธิยาณรู้แจ้งซึ่งโมฆธรรมอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นพระบรมครูของเราและเรานี้ปรญปรชาในศาสนาของพระองค์ขอท่านจงทราบความดังนี้เถิดอุปติสสมานพในเพศปริพาชกจึงไต่ถามความสําคัญตามที่ตนต้องการอีกต่อไปว่าสมเด็จพระสัมมาโคโดมบรมครูแห่งท่านพระองค์ทรงสแสดงธรรมแก่ท่านเป็นดังหรือพระผู้เป็นเจ้าอัสวิชิจึงดําริว่าขึ้นชื่อว่าปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักษ แก่พระพุทธศาสนาควรที่อาตมาจะแสดงธรรมที่สุขุมคำภีรภาพแห่งพระพุทธศาสนาแก่มานกผู้ทรงเพศเป็นปริภาชกนี้จึงจะเป็นการดีดําริชั่นนี้แล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีบแก้วจึงแสดงธรรมมีคถ า, าว่าดูก่อนอาวุโสอาตมาเพิ่งบวชใหม่เข้ามาในธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระบรมครูเจ้ามิได้นานดังนั้นจึงไม่อาจที่จะแสดงธรรมแก่ท่าน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 ก็แลอุปนิสัยอันแท้จริงแห่งโอปฏิสะมน์ผู้บรของนางสารีพรหมณีนั้นเป็นอุปนิสัยที่มั่นในกะตันอยู่กอบได้วยความเคารพ บ, บูชาครูบาอาจารย์อยู่สิ้นการเป็นนิดดังนั้นทั้งๆ ท, ที่เป็นการรีบร้อนแต่เขาก็จุคิดขึ้นได้ถึงเหตุอันหนึ่งจึงกล่าวแก่โกลิตะมน์ผู้สหายรักว่าช้าก่อนสหายบัดนี้เราทั้งสองก็ได้มกกระท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 แม้ท่านมีปัญญาเชื่อฟังคาถาถ้อยคำของเราแนวไซก็จะได้ไปเฝ้าสมเด็จพระสัพพันยูปรมครูเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนาอันพระสัพพันยูเจ้าผู้ประเสริฐทรงสแสดงก็น่าที่จะรู้แจ้งมรกผลธรรมวิเศษเป็นแม่นมั่นอย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองควรจะเข้าไปหาท่านสัญชัยอาจารย์กันก่อนจกดีกว่าว่าดังนี้แล้วอุปติสัมนพกจูงมือสหายรัก เข้าไปสู่สำนักสัญชัยอาจารย์แล้วก็แจ้งความว่าบัดนี้พระพุทธชินสีบังเกิดขึ้นในโลกพระสัทธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็เป็นวิโมกขธรรมสามารถนำสัตว์ออกจากกองทุกข์ในวัฏะสงสารได้ทั้งพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรอบด้วยสัมมาปฏิบัติสมควรที่พวกเราจกพากันไปเฝ้าสมเด็จพระชินสีนั้นด้วยกันท่านอาจารย์จะโกรธว่ากไร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 ทั้งเป็นเจ้าสํานักตั้งตนเป็นคณาจารย์สั่งสอนปริพาชกสิทธบริวารมานานไม่อาจที่จะไปเป็นสิทธของผู้ใดได้อีกเลยข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อย่าได้กล่าวดังนี้บ่มีบังควรขอท่านอาจารย์ผู้ใหญ่อย่าได้ถือรั้นด้วยอํานาจทิฐิอาหังการโดยมิเป็นการด้วยว่าสมเด็จพระธรรมนะโคดมบ ร, รมศาสตาจารย์นั้นแม้พระองค์ท่านจะเป็นศาสตาใหม่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 เพื่อสำเร็จประโยชน์สดที่ผลแก่ตนชนผู้โง่เหลาเบาปัญญาเท่านั้นที่จะพากันไม่เห็นความสำคัญในการอุบัติขึ้นแห่งพระองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาเอกในโลกช้าก่อนพ่อคณาจารย์ใหญ่สันชัยยกหัดขึ้นห้ามปรามอุปติสมานพผู้มีปัญญาซึ่งกล่าวคาถาอะไรออกมามากมายให้หยุดยัง้งแล้วถามขึ้นมาบ้างว่าเออพ่อเราไข่จกถามพ่อสักอย่างหนึ่งว่า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 ถ้าเช่นนั้นบรรดาคนที่ฉลาดมีปัญญาก็จงพากันไปสู่สำนักพระสัมมาสัมพุเถิดแต่ว่าคนโฉดเก่าเบาปัญญาซึ่งมีปริมาณมากกว่ามากนักหนาก็จะพากันมาสู่สำนักแห่งเรานี้เป็นแน่นมั่นพ่อทั้งสองจงพากันไปเถิดเรานี้ขอตัวก่อนจะไปกับพ่อทั้งสองด้วยไม่ได้แล้วสัญชัยคณะาจารย์ใหญ่แห่งปริพาชกกล่าวพร้อมกับผงกศีรษะอันมีสีขาวโพล่งสั่นไปมา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 หากอยกมีปัญหาว่าเหตุไนพระภิกสุสองตาหายคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาผู้ได้บรรลุพระโสดาปติผลรยาณสําเร็จเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลอยู่ก่อนแล้วซึ่งก็น่าจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อริยะบุคคลก่อนบริวารตนแต่ก็หาได้สําเร็จไม่ส่วนบริวารทั้งหลายเพิ่งจะได้มาสดับตับฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้สําเร็จ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 ก็อุตสาจ้ำเรินวิปัสสนากรรมฐานพอถึงวันที่คำรบเจ็ดพระผู้เป็นเจ้าอาศัยอยู่ในอารันยิกะเสนาสนะใกล้บ้านกาลวานละมุตตะคามในแว่นแคว้นมคตเจริญสมณะธรรมกำหนดปดพระกรรมฐานด้วยความพยายามอย่างยิ่งยังลงสู่ทีนมิทารมถูกความง่วงเข้าครอบงำดวงจิตสมเด็จพระพิชิตมานสงทรงาบด้วยพระยานจึงกระทาพระพุทธปาฏิหารให้ปรากฏว่า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 พระสกทาคามีผลลยานในขณะนั้นแล้วท่านก็มีจิตพ่องแผ้วจำเริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนกระทั่งได้บรรลุพระอนาคามีผลลยานและพระอรหัตตผลลยานสําเร็จเป็นพระอรหันตอริยบุคคลลงคุณวิเศษสูงสุดเมื่อพระสารีบุตรผู้มีวาสนาสูงได้บรรลุพระสกทาคามีผลลยานในขณะนั้นแล้วท่านก็มีจิตผ่องแผ้วจำเริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไป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 จริงอย่างนั้นสมเด็จพระบรมมาสสดาธรรมราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระหฤทยัยอันกำลังพระกรุณาใหญ่มาตักเตือนให้เสด็จพุทธจาริกไปในบ้านและนิคมชนบท ร, ราชธานีน้อยใหญ่เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมิได้เสด็จสถิตอยู่เป็นนิจในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ที่เดียวเลยจำเดิมแต่ปทมาพิสัมโพทิสมัยได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสมโพธยาน จนจวบถึงการพระชนมายุแปดสิบพรรษาครานั้นสมเด็จพระพุทธองค์ท่านทรงเข้าเขตชราอาพาธหนะักแต่ทรงรักษาเยียวยาพระโรคาของพระองค์ด้วยโอสถคือสมาบัติให้ระงรับมีคารุวนาดุจกอไม้อออันเพลิงไหม้และถูกราดรดด้วยคือโคนทอุทธกทาราให้อันตรธานดับไปหรือมิฉะนั้นมีครุวนาดุจบำบัดอสรพิษร้ายให้เสื่อมหายไปด้วยอำนาจ แห่งวิศณุมน์พิเศษถ้ามิฉะนั้นมีครุวนาหลุดบุคคลที่เดินทางไกลามานานได้รับความเหน็ดเหนื่อยอิโรโอยหอบหิวนักหนาแล้วได้บริโภคบรวรสุธาโพธ์อันเป็นทิพย์จึงบรรเทาความเหน็ดเหนื่ยอยหิวโหยเสียได้กลายเป็นผู้มีสุขกายตามเดิมแล้วทรงมีพระพุทธดำรัสเรียกพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรและพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงมาประชุมกันเป็นมหาสังฆสันนิบาต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 ออกจากผลมหาสมาบัติแล้วสาวกแห่งองค์พระประทีปแก้วจึงอาวัฒนาการว่าเมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระชินท์สีเจ้าบรรมครูแห่งเราทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าอีกไม่ช้าไม่นานพระองค์ก็จักสเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานก็แลนในอดีตการที่ล่วงแล้วมาระหว่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกเช่นเรา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 ผู้มีปรีชาชานจึงอาวัชนาการอีกสืบไปว่าเออก็พระราหุลผู้เป็นพุทธชิโนรสนั้นท่านก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพานณสวงสวรรค์ชั้นดาวดันหนึงอันหนึ่งท่านพระอัญญากโลณธญาเถระท่านก็ดับขันเข้าสู่พระปรินิพานแทบปริมฝั่งฉัตทันตะมหาตะนับป่าหินมวันตประเทศปรากฏว่าฝูงช้างทั้งหลายได้พากันกระทำลักการะบูชา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 พระอรหันต์น้องชายหกองค์มาก็ดีถึงกระนั้นก็ยังเป็นมิจฉาทิตฐิเคารพนับถือลทัทธิศาสนาพราหมณ์อยู่ตามเดิมเพราะเหตุที่เป็นคนถือมั่นในศาสนาที่วงตระกูลเคยเคารพนับถือมาแต่โบราณและบัตรนี้อุปนิสัยแห่งพระโสดาปัติผลยาณอันมีอยู่ในขันธสันดานโยมมารดานั้นก็ถึงการแก่รอบควรที่จะบรรลุธรรมวิเศษได้แล้วจึงเป็นการสมควร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 ข้าพระบาทกำหนดจกเข้าสู่นิพพานในห้องที่ประศุตแห่งข้าพระบาทที่นาลันท่าคางพระเจ้าข่าถ้าเช่นนั้นเธอจงกำหนดการอันสมควรแก่เธอด้วยดีเถิดสารีบุตรเอย๋ยสมเด็จพระมหากรุณาสัตว์ด้วยความสังเวชพระไถ่ดังนี้แล้วก็ทรงเอื้อนโอดตรัสแจ่พระสงฆ์ทั้งปวงว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัดตะสงสารทั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้เห็นสารีบุตรผู้เป็นพี่ชายใหญ่ ก็ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปเบื้องหน้าหากผู้ใดมีจิตปรารถนาใครจะเห็นภิกษุซึ่งทรงอุดมคุณดังพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเธอนี้โอกาสนี้จะไม่มีแก่ผู้นั้นแล้วดังนั้นขอเธอทั้งหลายจงแลดูสาริบุตรพี่ชายใหญ่ของพวกเธอให้ดีๆแล้วสมเด็จพระชิน์สีเจ้าก็ทรงหันกลับมา ดำรับสั่งแก่พระสารีบุตรอีกว่าดูก่อนสารีบุตรเอ๋ยขอเธอจงแสดงธรรมให้พระภิกษุ ส, สงฆ์ผู้เป็นน้องน้องของเธอได้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายเถิดดำรับดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งเฉยไม่ได้ทรงตรัสอะไรอีกเลย